ل ัลลอฮ์ uh u, ุราะห์มานุรรฮิบ์อินะลั่มฮ์มด ah ุลิลลอฮ์นะฮ์มดุห์วะนัสต้าอ il oh ินุวะนัสตัฟทิร์วะน้าอุบุลลอฮ์บิชุรุร์อัลมุสซินะวะบินไซยะต์อัลมาลีน่าไม่ยัฮดิลลอฮ์ฟัลลามุดดลละห์วะไมยูบัลลิลฟัลลาฮัดียะละห์วะษดุลลอฮ์อิลลอฮ์อิลลอห์วะอัลละห์วะอัลละห์ละช ข ش ه د ั ن م ح م د ا ฮ عبد ه ورسوله اللهم بك น ص ب ح ن ا وبك ا م س ي ن وب ا وبك نحيا وبك พ م و ت و ค ل ข ك ا ل ะ ش و ر า ع و ذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في ا ل ง ر ض ولا في السماء وهو السميع العليم ر อ ي ت พร ل ก่ข้า وبالإسلام لينا وبمحمد الرسول اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء القبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ربي كل شيء وملك ي أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر ن ف س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 ر ب ّ أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم أعفني في بدني واعفني في سمي واعفني في بصري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอบคุณพี่น้องที่ร่วมนมัสการที่มัสยิดอัลบาลิสุนนะและพี่น้องที่ติดตามนะครับรายการ ตัซลล์อลกุรอานที่นั่งอยู่ที่บ้านของท่านและนั่งอยู่ที่ตลาดนะครับค้าขายแล้วก็ฟังตัซลล์อัลกุรอานไปด้วยอัลฮัมดุลิลละเราต้องขอบคุณอลา l ให้ลา่าอัลฮัมดุลิลละภาษานี้่ยเป็นภาษาที่ดีที่สุดที่ท่านนาบีสอนให้อุ ม, มาของนบีเนี่ยสัรเสริญต่อเราจะทําอะไรก็ตาม ให้กล่าวว่าอัลฮัมดุลิลละก่อนจะเริ่มทำเนี่ยให้กล่าวบิสมิลละเช่นอะไรบ้างจะใส่รองเท้าบิสมิลละจะปิดไฟบิสมิลละจะเปิดทีวีบิสมิลละจะทําอะไรก็ตามลามยับดะถ้าหาว่าไม่เริ่มดปวยบิสมิลละการ งานที่เขาทํานันไม่มีบระเห็นยังว่านาบี m u h ั m m a d เขาสอนละเอียดดีต้องขอบคุณออลลอฮฺขอบคุณออลลอฮฺนะครับที่เรามาใชา้ชีวิตอยู่ในเดือนอุไรด์วันนี้วันที่เท่าไหร่ที่วันวนี้หกวั <c oughs> อย้อนทําีดีละออลลอฮฺเมตตาให้มีอากาศเย็นนะในฝนตกนี่ออลลอฮฺเมตตานะต้องกล่าวอัลฮัมดุลิลแล วันนี้เรามาถึงโซ่โ ซ, ซที่สามสิบแปดล้วปีเท่าไหร่ปีเท่าไหร่ตับสีบ่ปีกี่ปีแล้วเนี่ยสามสิบสามสิบสี่ลสามสิบแปดีใช่นะต้องถามพีเหลือเราหมด พี่น้องครับเรามาถึงสุรัสศร์อายาที่21วันนี้นะครับขอเล่าเรื่องอาทิตย์ที่แล้วนิดหนึ่งอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราอ่านประวัติอัลลอ์เล่าประวัติประวัติของนบีไรนะดาวูดอะลัยฮสลาสรุปแล้วนะอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมีอยู่สิบรายการ ชีวิตของนบีดาวูดอลัยฮิสสลามมีทั้งหมดเนี ers, ad, ่ยอาชรอเซฟาตมีอยู่ลักษณะที่อัลลอ์เล่าในกัฟีรุออามให้นบีมูฮัมหมัดฟังเรื่องแรกก็คือนบีนี่ถูกตำหนิสอนศาสนานี่ถูกตำหนิถูกด่าใช่ไหมถูกต่อว่าจากใครจากพวกอาดับมุสลิฟในนครมักกะ ก็ยยากนาบีเยอะมัจะยากของานี้เสร็จแล้วก็พอถูกตำหนิเนี่ย น, นบีก็ทอแท้ใจเมนพอทอแท้ใจเอาลรารู้เราก็ให้ยิบรีนะน่ะนำเอาประวัติของนบีดาวูดอะเลฮิสลามาเล่าให้นบีมุฮัมมัดฟังไปการเร็วนะัปลอบใจโอ้ปลอบใจนี่สำคัญนะ่ะ อย่างก่อนที่นบีจะรับวะฮีเนี่ยคนที่ปลอบใจนบีเนี่ยใครรู้ว่าภรรยา<ม>พอรับวะฮีแล้วเป็นพอเป็นนบีเนี่ยปลอบใจด้วยการอะไรนะประทานอัลกรุรอานลงมาเล่าประวัติของบรรดานาบีในอดีต ท, ที่บรรดานาบีเรานั่งแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยอะไรอะถูกต่อต้านหมดเลย ประตูต่อตาเนเขาทอ้อไหมทุกคนขอทอ้อทั้งหมดแลละแต่อัลลอฮ์ก็ให้กำลังใจมียุคนหนึ่งนบีอะไรที่ถูกชาวบ้านไม่เชื่อสอนแล้วไม่เชื่อคนนบีอะไรนะย่นูนุสทิ้งงานาศาสนาอาวักับพวกก็ตรงๆแบบนี้นะทิ้งงานาศาสนาทิ้งงานดาวะก็ลงเรือใบกายเลยก็จะไปให้ เสร็จแล้วอัลลอฮ์ไม่ให้ไปอัลลอฮ์ให้มีปัญหาต้องกระโดดออกจากเรือแล้วก็ไปอยู่ในท้องปลาเหา็น ไ, ไหมแล้วก็ส่วนนบีมุฮัมมัดเนี่ยพระยาจะปลอบใจเสมอก่อนรับวบาฮิวันแรกที่ น, นบีไปรับกุรานจากคูเขาใช่ไหมละครมาถึงว่ายิบรินมากอดสามทีบอกว่าอีกคระโ น, นบีต่อว่าชันอ่านไม่เป็นเขียนว่าไม่เป็นอ่านก็ไม่เป็น นั่ยีรก็สอนประกบมาถึงบ้านกะเล่าภรรยาฟังกลั ว, ว, ต, วตัวสั่งอาผ้าหนมแลน้ำก็ปลอบใจว่าอัลลอจะไม่ทอดทิ้งท่านอัลลอจะไม่ทำให้ท่านเนี่ยอาบอายเพราะท่านเป็นคนดูแลคนจนเยอะนะดูแลคนจนแล้วก็ต้อนรับแขกแล้วก็ใครลำบาก ใครมีปัญหาเดือดร้อนมหานาบีนบีช่วยหมดเลยนี่ภรยาปลอบใจแต่ทั้งภรยาเนี่ยนี่พูดถึงภรยาที่ฟังอยู่ด้วยนี่นะเวลาสามีตกงานในช่วงโควิดเนี่ยอย่าไปตำหนิอย่าไปซ้ำเติมปลอบใจเนี่ยเป็นการเตือนนะเตือนพวกเราว่าเรามีแบบอย่างที่ดีคือนบีมุฮัมมัดและภรยาณบีเนี่ยปลอบใจนบียังไง ภรยาเราอยู่ที่บ้านมีศาสนาก็ต้องปลอบใจสามีเวลาเราตกน้ำนะครับเรื่องของนบีดาวูฒมีอยู่สิบประการนะครับข้อที่หนึง่งอดทนสูงมากอดทนในการทํรามีพระได้ด้วยนะ่ะถือบวชวันเว้นวันว น, เนะเขาเรียกว่าบวชของใครนบีดาวูฒเรียกว่าดาวุฒิดีน ะ, ะบวชแบบนบีดาวุฒวันเว้นวั น, วน ข้อที่สองท่านเนี่ยทำอิบาด้วยต่อร้องสม่าเสมอทำอิบาดาัด้วยในวันดึกบวยก็ทาอิบัด้วยใช่ไหมนามาดใช่ไใช่ที่บ้านของนบีดาวูดเนี่ยมีห้องมีห้องเขาเรียกว่าห้องสวดหรือห้องทำอิบาดา้วยเฉพาะคนสมัยก่อนเนี่ยจะทาอิบาดา้ที่ไหนไม่ได้นะ ต้องมีห้องเฉพาะเรียกว่ามิหรอบอมิหรอบมิหรอบเนี่ยมาจากสา ว, วาฮารบุนแปลว่าสงครามถ้าวัสงครามกับใครอ่ะอุลามาอธิบายว่าสงครามกับไซตตอแตดทานน บ, บีสุลัยมาเนี่ยจะนั่งอ่านคำรีรซซาบูตที่มิหรอบสุยุดที่มิหรอบ ยืนนมาศที่มีฮารอบนะครับสมั่งเสมอข้อที่สมมีความเข้มแข็งในด้านศาสนามันมีดุจยากับศาสนาใช่ไหมล่ะดุจยากับอาคิโรนี่คนนําคนเอาอ า, าก็าจต้องเขาจงเข้าใจศาสนาเอาอาคิโรแต่ไม่เอาศาสนาไปกันไม่ได้จะจะเอาอาคิโรต้องเข้าใจศาสนาถึงจะปฏิบัติงานอาคิโรได้อย่าง เต็มเม็ดเต็มหน่วยท่านนาบีสุลัยมาเนี่ยนบีดาวูดเนี่ยเป็นคนที่เข้มแข็งในด้านศาสนาข้อที่สข้อข้ อ, ขอที่สีกลับเนื้อกลับตัวไปหาอัลลอ์ทุกวันจะกล่าวว่างี้อัส่ากุลลอฮ์อัสล่ากุลลอฮ์อัสล่ากุลลอฮ์ต่บาตัวตออลลอยู่สน่ำเสมอนี่เตือนพวกเราอนะนเตือนนบีด้วยต่บาตัวนะัดีที่สุด อย่าคิดว่าฉันบวชแล้วอ่านคุณอ่านแล้ว อ, ลอัลลอยกโทษฉันแล้วไม่ใช่อันนั้นผลบุญต่างหากผลบุญบวชมีผลบุญอ่านกุณอ่านมีสว่วนเตาบ้าก็เตาบ้ า, บาอีกนะครับข้อที่ห้าเนี่ยภูเขาสารเสริญพร้อมกับนบีดาวูดอะลัยฮิสซาดามได้ย่งังครับภูเขาสารเสริญแล้วถ้ามนุษย์ไม่สารเสริญเนี่ยมนุษย์กับภูเขาใครทีกว่ากัน ภูเขาดีกว่านะนี่ปัญญาเราเกิดแล้วอรอบถ้าเราไม่อ่านกูอ่านถ้าเราไม่บวช น, นี่นะถ้าไมนมามนี่ภูเขาดีกว่าต่อมาข้อที่หว่า ต, ต่อยรูมาอัตะสบียฮนนกนกบุญบุญลูกปุญญาทั้งหม ด, ดนะั้นสรรเสริญต่ออัลลอฮ์พร้อมกับนบีดาวูดอะไฮิสตาดามี่ข้อที่หเข้าใจนะนกภาสรรเสริญภูเขาก็สรรเสริญต่ออัลลอฮ์ ข้อที่เจ็ดเนี่ยนกนี่เชื่อฟังเอาลองให้อำนาจกันนบีดาวูดเนี่ยเชื่อนกเชื่อฟังหมดเลยนะแต่ออย่างหนึ่งมดมดอยู่ใช่ไหมล่ะอมดมิสลรลมาณดาวูดต่อมาครับข้อที่แปดเนี่ยมีอำนาจคือรัฐะประเทศที่นบีดาวูดปกครองอยู่เนี่ยเข้มแข็งมากมีทหารเยอะ มีทหารเยอะด้วยรอว่าทหารเยอะมากเลยเป็ น, นแสนเลยนะว่าไงต่อมาข้อที่เก้านี่นะอัลลอฮฺให้สติปัญญากับนบีดาวูดเนี่ยน ม, มีความเข้าใจาศาสนามีสติปัญญาดีเฉลียวฉลาดเพื่อต้องการจะบอกนบีให้รู้ว่าให้นบีมาสอนว่าคนที่เฉลียวฉลาดเนี่ยอย่าคิดว่าฉันนี่นะโอ้โหออกกํลาลังกาย กินนั่นดีกินนั่นดีความเฉลียวฉลาดความเข้าใจศาสนาแบบง่ายๆนี่มาจากใครอลัลลอฮ์หมดเลยนี่เตือนน่ะเตือนอัลลอฮ์เตือนออ น, นบีลราให้นบีมาเตือนพวกเราเราก็มาเตือนกันว่าใครที่ฉลาดใครที่เก่งใครที่ท่องจอาําอัลกุรอานได้เยอะอย่าตะกำ บ, บุดนะอย่าเยอะยิงอย่าจองห้องน่ะอัลลอฮ์เอา ล, าอาลงหมดนะแต่จะชาวรวยเท้งนั้นแหละข้อที่สิบนี่ก็ นบีดาวูดเนี่ยเป็นคนที่ตัดสินคดีได้ยุติธรรมที่สุดในโลกเพียงคนเดียวครับส่วนนบีมุฮัมมัดนีนแน่นอนนะครับดันั้นาการตัดสินคดีนี่นะครับคนที่เป็นอิหมามคนเป็นผู้นำคนเนียอัลลอฮอักบัฮ ต, ต้องอ่านประวัติของนบีดาวูดอะไรนี่ความประเสริฐของนบีดาวูดมีอยู่สิบข้อนะครับเอาต่อมาวันนี้อายะ์ที่21 ว่าล่ะท่ากนَบเอาลข้อมีอิศทศวรรุลมห راب ว่าล่ะท่ากนับเอาลข้อมีอิศทศวรรุลมห راب alhamdulillah แปลงี้เป็นยั ตั้งเป็นคำถามาให้ทุกคนได้ใช้สมองนะฮัลแปลว่าฮัลอาตาได้มีมหาพวกได้มีมหาท่านบางไหมนบะนา บ, นาบอแปลว่าข่าวขา ว, ขาวได้มีข่าวขาวเนี่ยมหาท่านนาบีมุฮัมมัดบางไหมฮัลอตากนานบอแปลว่าข่าวขา ว, ขาว เรื่องราวเหตุการณ์เนี่ยมาถึงท่านบ้างไหม<_><_>เหตุการณ์อะไรครับอัลคอสมีคนสองคนเนี่ยโตเถียงกันคนสองคนทะเลาะกันคนสองคนเถียงกันโต้กันเถียงกันทะเลาะกันเรื่องชายสองคนทะเลาะกันเนี่ยมาถึงท่านบ้างไหมท่านเคยได้ยินบ้างไหมเคยเคยรู้บ้างไหม ในคาเฟ่กรอ่านพูดถึงเรื่องว่าท่านได้ยินข่าวเรื่องเหล่านี้มั้ยมีตะมน6ครั้งผมอ่านใน้าษาภาษาหนะฮัลอตากะฮ ادي ซูมูซานี่บอกกับ น, นบีนะมุฮัมมดัดเคยได้ยินข่าวนาบีมูซาบ้างไหมอ่า น, นาบีมูซาอัลลอฮฺสุลตมัสฮัศาสนากับใครนึกภาพกับใคร พียงอนเพียงนคนธรรมดาหคนใหญ่ อ, อานาะรบบุกมุดอาละฉันนี่เป็นรบพระผูอพิบาลของทุกท่านทั้งหมดตั้งตัวเป็ น, ป น, ป น, ปนพระเจ้าเองอ่ะส่งมูซามาสอนเนี่ยไปศึกษาปร ะ, ะวัติบุษาษะพัะจจะได้สงบต่อมาอีกเรื่องหนึ่งฮัลลาตักฮัดีซฟีอิบรอฮีม เคยประวัติการต้อนรับแขกของนบีอิบรอฮิมเนี่ยมาถึงนบีมูฮัมหมัดบ้างหมต้อนรับแขกคนที่ต้อนรับแขกคนแรกของโลกเนี่ยใครรู้เปล่นนานบีอิบราฮิมละอิสราของโลกเลยนะใครมาเป็นแขกนบีอิบรอฮีมลองนึกดูใครมาได้ก็การต้อนรับแขกเนี่ยต้องดูรูปแบบ ของนบีอิบราฮิมเป็นอย่างนี้เมื่อแขกมาถึงบ้านต้องรีบต้อนรับแขกเอาน้ํามาให้แล้วก็เอาอาหารมาให้จัดของรับแขกมีห้องสะอาดๆมีแอร์เย็นๆหรือมันก็มีมพัดลมต้อนรับแขกเพราะนบีอิบราฮีมต้อนรับแขกคนแรกคือมาลายกาญิบรีนมาหาท่านนาบีก็อ่านประวัติดูว่าต้อนรับแขกก็ทํำยังไงถามนบีข้อที่อีกข้อหนึ่ง พัลอาตะกะฮัดีสุลรอชิยาเคได้ยินใช่ไหมอ่าแปลว่าเรื่องภัยพิบัติจะเกิดขึ้นในโลกอาคิรอดเนี่ยน บ, บีเคยเคยรู้ไหมเคยได้ยินไหมนี่เตือนพวกเราด้วยขาว่ขาวในโลกอาคิรอดในวันเตย ม, มานั้นนะเคยรู้ไหมว่ามันเป็นยังไง้วกูอานจุรานีอาอามิลาตุนาสิบะ ทำงานเหนื่อยอธิบายอย่างนี้ทำงานเหนื่อยบนดุนยาหาแต่วัตถุวัตถุวัตถุวัตถุวัตถุวถุหาแต่เงินหาแต่เงินหาแต่รถหาแต่รถหาแต่เมียหาแต่เมี ย, ห า, มยหาแต่บ้านบ้านบ้านบ้านไม่คิดถึงอะไรเลยเนี่ยนะในวันเกีย่ยวมาเองเจอกับความวิบัติอย่างแน่นอนนี่ขอ่านเตือนไม่เชื่อก็ ม, มีปัญหาเพราะเราสอแล้วสอนความรู้นี่ผ่านคร หาห น, นาบีมุฮัมมัดให้นาบีมัสอรว่ฮัลอาแต่กันบอุลคอสมิและได้มีเรื่องราวของผู้โต้เถียงกันในสมัยของนาบีดาวูดเนี่ยมาถึงท่านนาบีมุฮัมมัดบ้างไหมมาถึงเจ้าบัางไหม อิทเตซอวรุลมิ حراب อ, อิทเตซอวรุลมิ حراب เมื่อพวกเขาปีนปีนนะเมื่อพวกเขาปีนกำแพงเข้าไปในห้องของนบีดาวูดอะไยบิสลามีคนปีนปีนกำปีนบ้านน่ะปีนเข้ามาในห้อง ท่านกำลังอ่านคัมภีร์ซาบูตอยู่หรือบางรายงานบอกว่ากำลังขอทูอาอยู่หรือกำลังสุญญ์อยู่เนี่ยมีคนปีนเข้ามาสองคนถามมอหมัดรู้ไหมเคยได้ยินข่าวนี้ไหมรับชายสองคนนี่นะเขาทะเลาะ ก, กันดะกันบีดาวูดเนี่ยเป็นผู้พิพากษาเป็นกาษัตริย์ด้วยอะไรด้วยนนะ ตัดสินคดีชั้นหนึ่งเลยนะครับไม่มีนั่นอ่ะไม่มีเบี้ยวไม่มีโคดโกงไม่มีคอ ร, ร์รัปชันไม่มีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องชายสองคนนี้บางแรงงานว่าเป็นมาลายิกะแปลงตัวมาเป็นคนนะครับบางแรย ง, งานก็เป็นคนจริงๆเลยนะครับมาใช้มาลายิกะเข้าปีนค้ำแพงเข้ามามาหานบีดาวุฒิลัยฮิสซาลามคำว่ามิหรอบเนี่ยเห็นยังมีมัคคุรานมิหรอบเนี่ย ทีอ่อธิบายมุตะกี้เนี่ยห้องสําหรับเอาไว้ทําอิบัตักุูนานพูดทึ่งองๆฮารอดต้องการจะอธิบายว่าบ้านมุสลิมทุกบ้านในโลกต้องมีที่ทำอิบัตักในบ้านเรานี่แหละต้องมีที่เอาไว้เฉพาะที่ตรงนี้เป็นเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นที่รู้กันในบ้านเลยนะนี่สําหรับที่นมาเนี่ย นำมากันสี่คนห้าคนในบ้านที่ตรงนี้พยายามรักษาเอาไว้ห้องครัวยังมีใช่ไหมห้องรับแขกมีแต่ขายอย่างเดียวห้องทำมีบะไา้ไม่มีคนที่หลงหลงหลงหลงหลงตุนยามีใช่ไหมห้องครัวต้องเพอร์เฟตนะโอ้โหที่เก็บช้อนต่างหางเก็บกะละมังต่างหางเก็บ จา์ต่างหากต้องเปอร์เฟกหมดเลยนะ่ะของรับแขกก็เปอร์เฟกแต่ห้องทํามีบารดาไม่มีหน้าตกกระ บ, บ้านไม่ไหล่ะฉะนั้นบ้านมุสลิมต้องนึกต้องนึกเยอะนะ่ะบ้านเรานี่สามารถนำมาตรงไหนก็ได้ต้องนึกนะท่านมีที่ทํามีบาร์ได้ไว้ห้องต้องคงก็มีค้างเตียงผวงมจะนำมาตรงนี้ประจําตะขัดหยุดตรงนี้เจําก็ต้องมีในบ้านเราใช่ไหมนะ เพราะคำว่ามิหรอบในสมัยก่อนเ น, นี่ยอรรรเล่าให้นาบีมุฮัมมัดฟังมิหรอบนะครับที่ทำหรือว่าหอสวดหอห้องทำอิบัตด์ส่วนตัวของเราเอาต่อมาครับอิศร์ดะขอาลูอัลาดาวูดฟาฟาซึ่งมินหุมกาลูลาทัฟ خ ص م ا ن ب غ ى ب ع ض ن ا على بعض فحكم بيننا بالحق ولا ت ش ت ط واهدنا إلى سواء الصراط الحمد لله إذا دخلوا على داود ฟَ้ฟ้าจี๋มิ ا หุมَล่าวَ่าลาทัฟฟَขซมะนิบกาบััดณะัละบััดฟะฮคุมบีนณะับิลฮัَ ا ิวลาตุชติต์วะดีَ ا ัِาซว่าไَศิร็อะอَลฮัม ل ุลิลลอะมดุลสา อิฟแปลว่าเมื on David, on David. People, people ่อดคอลูพวกเขาเข้าอลาดาวูดมหาดาวูดชายสองคนเนี่ยปีนกำแพงเข้ามาในบ้านของนบีดาวูดอิฟดำอลูอลาดาวูดเมื่อพวกเขาเข้ามาหาดาวูดพอเห็น คนเข้าปีนเข้ามาบ้านเนี่ยนบีดาวุฒเป็นยังไงฟาฟาซีอาเมนฮุมฟาฟาซีอาเมนฮุมเขานบีดาวุฒตกใจกลัวพวกเขาตกใจกลัวนี่เราเล่าเลยเนี่ยมีคนปีนเข้าบ้านเนี่ยกลัวได้ไม่กลัว <c oughs> นี่มันเป็นนิสัยธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนกลัว ท่นนี้มีคำถามถามว่าคนเป็นนบีกลัวหรืออ้ปัญหาเนี่ถามมากลัวได้ไหมกลักวกลัวครับทาไมต้องกลัวเพราะว่านาบีที่มาในโลกเนี่ยส่วนใหญ่มาในพวกของบันีอะไรอิสราเอลีนหมดเลยลูกลูกของนบีอิสฮาร์จะมาเป็นนบีหมดเลยนะบันีอิสราเอลีนเนี่ยมีลูกเป็นนบีหมดเลยนะทีนี้ ผู้บริอิสรอินเนี่ยเคยทำอะไรไว้เคยฆ่านาบีบาบมีบาบมีครับฆ่านาบียายาฆ่านาบีสะบรียาแล้วก็จับนบีอีสซาขึงอมากางเขนแต่อัลลอฮฺยกขึ้นไปใช่มไหมฉะนั้นก็นิสัยมารยาทของบรีอิสรอินอัลลอฮฺแฉแล้วนะพฤติกรรมของคนอนิสลามเนี่ยชอบฆ่านาบีเพราะว่านาบีเนี่ยจะมาสอนความวนอะน นบีดาวุฒกลัวอ่าไอการกลัวแบบนี้ไม่ผิดเพราะว่าประวัติในอดีตเคยฆ่านบีมาแล้วอ่าพอเข้ามาเอ๊ะจะจะมาฆ่าฉันแบบนบียุ่นก่อนหรือเปล่าก็กลัวไม่กลัวกลัวนี่ไม่ผิดฝ่ฟาฟา้าซีอามินหูไอคนที่ปีนเข้ามาเนี่ยพอมาเห็นหน้านบีดาวุฒพูดว่าอย่างงี้กาลูลาตาข๊อ พวกเขากล่าวว่าจงอย่ากลัวเป็นการปลอบใจนากีดาวุฒิเราไม่ต้องกลัวตการจะอธิบายว่าฉันนี่นะไม่ใช่มาลายหรอกมาดีและฉันนี่เป็นอะไรนะเป็นคนของท่านเป็นอะไรอนะ่ะใต้าการดูแลของท่านท่านเป็นกษัตริย์ใช่ไหมเรานี่คนอยู่ในประเทศท่านเป็นลูกน้องท่าน เชื่อถือท่านปฏิบัติตามท่านอยู่แล้วไม่ใช่ไม่ใช่คนเสียหายไม่ใช่คนเลวนะท่านเป็นคนดีเข้ามาพูดจะมาหาท่านมาขอคำปรึกษาท่านพูดอย่างนั้นลาตะค้อไม่ต้องกลัวขอหม า, น า, น า, า, า, มานุนนิแปลว่าเขาสองคนเนี่ยโต้เถียงกัน ชายที่ปีนเข้ามาเนี่ยสองคนเนี่ยทะเลาะกันมาพอทะเลาะเสร็จแล้วตัดสินไม่ได้ก็ปีนกําแพงเข้ามาหานาบับดาวกุศให้ตัดสินคดีหน่อยบะโกบะตูนาา่าเลบะเบดหนึ่งในหมู่พวกเขาได้ล่วงเกินอีกคนหนึ่งเนี่ยสองคนนี่นะคนหนึ่งเนี่ยล่วงเกินอีกคนหนึ่งมาเล่าให้นบีดาวุฒิฟัง ฟักกุ่มใบานานาบิลฮักเต้ฟะกกุมแปลว่าจงตัดสินฉะนั้นได้โปรดตัดสินใบานานาในระหว่างพวกเราบิลฮักเตด้วยความยุติธรรมด้วยความถูกต้องสองคนนี้ปีนเข้าบ้านมาปลอบใจว่าลาตะคบไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวฉนันไม่ได้มาราจะมาดีนะจะเป็นลูกน้องท่านนะนะแล้วก็ จงตัดสินเรื่องของฉันทะเลาะ ก, กันมาแล้วเนี่ยนะแล้วก็สั่งด้วยนะขอร้องตัดสินด้วยความเป็นธรรมอุลมาดอธิบา ย, ยว่าโจดโจดนี่มีสามารถที่จะคุยกับผู้พิพากษาว่าตัดสินฉันด้วยความเป็นธรรมนะพูดได้ไม่ผิดละ อ, อิสลามแต่ต้องพูดเป็นนะต้องพูดเป็นบิลฮักกี ตัดสินคดีเนด้วยความยุติธรรมด้วยความเป็นธรร ม, มแล้วก็สั่งอีกว่ลาตุสตโตว่ลาตุสติดตุสิดว่าอย่ากเกินเลยหรือลำเอียงอย่าตัดสินลำเอียงนี่ในการขอร้องนบีดาวิด ว, ว่าเวลาตัดสินตัดสินด้วยความยุติธรรมอย่าลำเอียงนี่อัลเล่าภาษาของคนที่ปีนเข้าบ้าน่ะ ให้นบีมุฮัมมัดฟันจนนายกัมพีกุ็อ่านอธิบรยาเพื่อให้พวกเราได้ใช้สมองว่าเออจะเป็นผู้ปกครองค น, คนหรือเป็นโจดเนี่ยเวลาไปหาอิหมัมหรือไปหาใครตะใครเนี่ยสามารถสั่งได้สองอย่างผอร้องเงินตัดเศษด้วยความเป็นธรรมนะสองอย่าเอียงนะอย่าอะไรนะอย่าลําเอียงนะอย่ากเกินเลยนะอย่าเข้าข้างกันนะอย่าเอางเงินยัดนาะอะพวกเนี้ยพูดได้หมดเลย พอมาเจอคดีเรื่องเรื่องตัดสินเนี่ยเรามองเมืองไทยเป็นไงแต่การเมืองเล็กๆเราเไป็นไงครับสองมาตรฐานหมดเลยครับที่เรามองดูวันเนี้พวกฉันระระคดีชา้าพวกตรงกันข้ามมาตัดสินพวดพวดพว ด, พวดติดคุกแล้วเป็นแถวแต่พวกฉันรอไปก่อนอยังที่ก็รสองวันออกแล้วพอลนะแค่นี้พอนะฟะฮุตุมบายนานาบิลฮะตี วัดตุสติตวัดีนาอิละสวะอัศรอดวัดีนะอิดีนะอัศรอดตออุษตติมะอิดีนะแปลว่า ไ, ได้โปรดนาทางเราโปรดที่นาทางเราอิละสู่สวะที่เที่ยงตาที่เที่ยงตรงที่สม่าเสมออัอิรออวทาร ฉะนั้นเข้ามามาบอกว่าไม่ต้องกลัวแล้วก็มาขอร้องให้ตัดสินตัดสินด้วความเป็นธรรมอย่าละเมียงแล้วก็โปรดที่นําเราถู่นทางที่ถูกต้องเที่ยงตรงให้กับพวกเราด้วยอัลลอฮ์เล่าให้นบีมุฮัมม um ัดฟังอัลลอฮ์นี่ยคนปีนเข้าบ้านเนี่แต่ว่าเป็นคนหมายเนี่ยกฎหมายไทยนาะยยอมไหมไม่ยอมนะกล <c ười> ายเป็นคดีนะอัมเดลินา นักคฎหมายเนี่ยอเลมรู้ธ่นาชาคิดก็อเลมด้านีนะครัมเรีิแล้วเอาต่อมาครับมาเล่าเขาทะเลาะกันเรื่องอะไรอายที่23่ิบสามอินอะคีลาหูติสอวะติสอุนนะนจัวาลียนะจัตูวาหิดะฟะกอลอ ฟิลน ه َะ وعزت في الخطاب อินฮَด أخي ต้ أ َอันหยุดตรงนี้นะเพَาะมีก๊อฟกาแฟอยู่ให้ไหมะอันหยุดตะกี้คืออันตี้อันไม่หยุดّ ه น ذ َ ا أخي له تساؤن و ت س ُ و ن َ ن َ ع ْ ج ا วะลีย์นะเจตุวะหิดะยุด فقال أكفلي أكفلنيها وعزت في الخطاب อินฮาดอาคีพราะสองคนที่เข้ามาเนี่ยก็มาแนะนำอ่าแนะนานบีดาวูดให้ฟังว่าคนนี้น่ะ อาคีเป็นพี่น้องของฉันเป็นพี่หรือน้องของฉันไม่ใช่พี่น้องจริงานาทัฟซีรอธิบายว่าเขาไม่จะเป็นพี่น้องกันแต่นี่ัาษาส า, สาษามาษาดีคนนี้เป็นพี่น้องของฉันต้องการจะอธิบายว่าเขาเป็นมุสลิมเหมือนกันนับถือาศาสนาเดียวกันอยู่ในประเทศของท่านเหมือนกันอยู่ใต้าการดูแลปกครองของท่านเหมือนกันเรียกว่าอาคีพี่น้องกัน แล้วสังเกว่า you are my brother ใช่ไหมหคล้ายๆกันนีละอธิบายอย่างนี้เราูติสอาหัวติอ น, อ น, นพี่น้องคนนี้เนี่ยติสอาหัวติสอาหติสอาน้าว่าแก้ว 9, ติสอาน้าววสวสิบแ้าแก่ตัวเมียหนาๆ a แปลว่าแก่ตัวเมียคนคนนี้นะ่ะมีแก่ตัวเมียกี่ตัว เกบเกตัวเราการจะอธิบายว่าคนที่เป็นโจทย์เนี่ยต้องเขียนอะไรให้มันชัดนะแต่เรต้องการจะบอกว่าเลข9ก้าเนั้นเรียกอะไรเลขของใครสิบแปดของใครของอนะัอลลอฮ์น่ะอัลลอฮ์มีพระนามเท่าไหร่นะ99้าสพนามอยู่ในมือเราแล้ ว, ลวมือขวานี่เลขเลขสิบแปดเลขอาหรับยกดูสิเนี่ยสิบป 1กับ8มือซ้ายเนี่ยแกับ1เอามาบวกกันนี่ผมได้จากอาจารย์จากมาเลเซียไปเยี่ยมผมพินัดว่าไล่หผมฟังเป็น9 9้สิฟเก้าส์ฟ้าของกายของอัลลอฮ์ครับสิทธิ์ฟ้าอัลลอฮ์มีเก้าสิบเก้าพนามแต่นี่เป็นต้นให้รละอิมานเพิ่มขึ้นอัลลอฮ์อัลบัดเรายกมือขอดามองถึงมอง99เนี่ยอย่าไปขอจากสิ่งเจเวต อย่าไปขอจดดวงอาทิตย์อย่าขอจดดวงจันอย่าขอตัวตะเกียรให้ขอจากใครอ้ลลาวยกมือขึ้นตัวเลขมันเห็นชัดอยู่นะเก้าสิบเลยไปพึ่งคนอื่นทำไมนี่ชิริกอย่างแรงเลยนะครับลาวติสเอาวะติสเอานาณาเจเขามีแกะตัวเมีย9กตัววาลียะสำหรับฉันเนี่ยนาณาตั ว, วาหิด และฉันมีแกะตัวเมียตัวเดียวว่าให้ดะตัวเดียวว่าให้มาวนหนึ่งอ่ะคนนี้นะ่ะมีแกะ99บเกตัวส่วนฉันมีหนึ่งตัวฟะกอละอัคฟิลนียกนนั้นเขายังกล่าวว่าฟากอลและกันนั้นเขายังกล่าวว่าอัคฟิลนียจงเอามันมอบให้ฉัน ของท่านแพ้ของฉันมีตัวเดียวน่ะไอ้คนที่มีเก้าบเกเนี่ยบอกฉันเอาแพ้ของเองมาให้ฉันซะว่าอัจจติและเขาขู่ฉันฟิลคิตอบในการพูดพูดสู้เขาไม่ได้พูดเก่งด้วยอะไรด้วยวัตกรรมเก่งมากเลยขอแพ้ฉันมีแค่หนึ่งตัวนี่นะเอาไปครบเป็นเป็นร้อยหนึ่งอ่ะฉันเลยเสียใจน่ะ คุยกันไม่รู้เรื่องแล้วมาหาท่านช่วยตัดสินให้หน่อยคำว่าแกะหรือแพ้เนี่ยนะในกัมภีกคุณอ่านอธิบายเยี้เป็นอาหารเนื้ออาหารอร่อยมากเนื้อแพ้เนื้อแกะเนี่ยอร่อยมากแล้วก็นบีนะชอบทานเนื้ออะไรนะเนื้อแพะเนื้อแกะแล้วก็ท่านนาบีเองจะเลี้ยงแกะเลี้ยงแพ้เนี่ยประมาณเก้าตัวนี่มัดสามสายรายงานถูกต้อง แล้วก็น บ, บีจะรีดนมแพะเองกินนมแพ้กับดีปกป้องโรคโควิดด้วยหนะนึ่งนบีรีดนมแพะเองต้องการจะบอกกับพวกเราที่เป็นสามีทั้งหลายนะอยากขี้เกียจน บ, บีนี่ยรีดรีนมแพะเองน บ, บีปะรองเท้าเองน บ, บีกวาดบ้านเองน บ, บีช่วยภรรยาในครัวด้วยแล้วเรานี่เคยช่วยภรรยาหรือเปล่าเคยเป็นเจ้พอนั่งอยู่ขอชาแก้วนึง คุณมีสิทธิอะไรนางหนาใช่ไหมมีม่ใช้ไปใช้ท่าเรานะก็ต้องดูแลใช่ไหมส่งกันและการช่วยกันอะไรกันใช่ไหมละมีประกาศในชีวิตั้มก็ดูนบีเป็นแบบว่นานบีไม่เคยใช้ภรรย า, ยา น, นายากทำงานภรรยาก็หน้าที่เขาก็หนักอยู่แล้วหนึ่งอาหารเสะนะอมาทว่าฉันเรสเพคให้เกียรติภรรยาฉันนะเพราะภรรยามีความมีอยู่กี่ข้อนะสี่ข้อข้อที่หนึ่งอะไร ตั้งคันแทนฉันเลี้ยงลูกแทนฉันนักทั้งคู่เลยนะแล้วก็ซักเสื้อผ้าให้ฉันใส่แล้วก็จัดอาหารอร่อยอร่อยให้สี่อย่างนี้ฉันให้เกียรติภรรยาฉันภรรยาจะบ่นบ่นเชิญเชิญเชิญตามสบายนี่นบีศาสนาอมมัดเป็นลูกศิษย์นบีนะเล่าอย่างนี้ให้เราฟังสบายใจไหมเธ อ, อให้อภัยภรรยาได้ได้ไม่ได้ อ, อ้าวอาหารสะฮุเนี่ยใครใครใครเตืีนก่อนเล่าเรื่องภรรยา ส่นใหญเมียหมดใช่หรือไม่ใช่แล้วก็ตะกอนนอนคอคอยอยู่นั่นแหละต้องมาปลุกอีกบางทีทิ้งก็อีกมาปลุกใช่ไหมเนี่ยมันต้องขึ้นพร้อมกันสิรอฟัด ม, มาให้กําลังใจกันเนีะค <laughs> อ่บขอแตะนิดหน่อยพอครับเอาต่อมากรับตัวลองว่าเข้ามาแล้วก็มาโจดนี่นะโจดนั่นก็มาเล่าเลยเนี่ยฉันมีแพทย์อยู่แค่ตัวเดียวเขามีอยู่เก้าสิบเก้าตัว อาขอฉันไปอีกอัลลาฮฺขอักุบันนบีดาวูดใช้ตอบหน่อยแล้วก็มาดูอายทีที่๒๔กอลแล้วก็ดะอเลมาคาบิสุอัลีนาะจัติกาอิลานีาะจิว่าอินนักซิร์มินัลขุลาะ ลาอย ب َกี้ ب َ ع ดูมาَาْ้าง ا ชَปะอันไมَกَ่าวแล ك َก็เดาแล้ว ك َ่กับผَِ้ภَสุขน ج َนาจติกนาจติกَอิลัِเَาะจีว่าอินนักสิร์มินันฮَุาป إ آ ل, ال ل ا ي َ ب ْ غ ِ ي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضُ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ و ََ้ั้งัَงั้งั้งั้งั้งั้งั้งั้งั้ ตั้งฟาระรับบุวะว่า ر, ر َ ا ك ع ان أن ِ ع ย ا وَأَنَابَ มาถึงตนี้ต้องซาจัะเราซาจัะแล้วห้ามเดืออัลลอฮฺพอใจแลาม ل ด م อนละกล่าวแล้วก็َดَกล ك َวِ ا ل ในอาเจَิِอ وإن كثير من الخلطاء لا يبغى بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقلل مماهم وظن داوود أنما فتنا ฟ้าตَ ر َฟَร์รัَว่าคร ر َยากง์ว่าแนบขออัลฮัม ل ح م د لله มาดูสับครับแล้วก็ดจอลากานี่เป็นคำพูดของนบีดาวดพูดว่าไงนะเขาดาวดกล่าวว่าแล้วก็โดยแน่นอนยิ่งจَลَหมากเขาได คมเห็นท่านเขาคนเนี้ได้คงเห็นท่านคนที่เอาแกะของเขามีอยู่ตัวเดียวนี่นะเอาไปอีกไปบวกของเขาไม่เป็นร้อยเลยนะคนที่เอาไปเนี่ยน บ, บีดาบุตพูดไปแล้วโละมาคนเนี้ทำโยเลมทําความยุติธรรมคมเห็นท่านภาษานีแรงนนะอ ะ, ะอัลลมม่าก็อธิบายไปว่ายังไม่ได้ ยังยังไม่ได้สอบเลยตัดสินแล้วเห็นไหมนี่เป็นความผิดเหมือนกันใช่ไหมนี่เตือนนะเตือนน บ, บีม a h มั a เตือนผู้พิาพากษาตอิมัมมัสยิดผู้ปกครองระดับไหนก็ตามจะสอบสวนใครจะตัดสินใครผิดต้องสอบสวนก่อนลูกทะเลาะ ก, กันนะอย่าเข้าข้าง คนนี้ฉันอ๋อหน่อยมันอ๋เอาใจย่อเอาใจปะมันผิดก็เพี้นถูกระวังฉันต้องตัดสินด้วยความเป็นธรรมเลยแล้วก็วอลามากะบิบสุอัลสุอานเราว่าเรียกร้องหรือขอนาญาติกะแกะตัวเมียของท่านอิลานิอาิฮี ไปเพิ่มแกะตัวเมียของเขามีแพะมีแกะอยู่ตัวเดียวอีกคนหนึ่งขอเอาไปเอกเป็นของเขาเป็นการเพิ่มจำนวนแกะของเขาว่าอินนากาซิรอมมินัลคุลาโกกระเสบบ่าวส่วนมากคุเราก็แปลว่าผู้ร่วมหุ้น ผู้ทําธุรกิจร่วมกันเนี่ยเขาเ ร, รียกว่าคูณเราต่อเนี่ยอัลลอฮ์เล่าในคัมภร์อัลกุรอานนะผู้ร่วมหุ้นทําธุรกิจร่วมกันเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นยังไงอมามัทานมาแล้วรู้คนทําธุรกิจกันหลายๆคนเนี่ยคนนี้คนนี้รวมกันสามสี่หุ้นเนี่ยส่วนมากเป็นยังไงรู้ไหมลายบรีจะล้ะเมอจะโกงกัน นี่เป็นข้อเตือนนะรลอนเล่าให้นบีมุฮัมมัดฟังเรื่องของดาวูดสมัยนบีดาวูดคนทำธุรกิจมีไหมมีส่วนใหญ่เป็นไงครับหลา ย, ยาบรีกโกมกันถ้าจะไม่ให้โกงก็ต้องเลือกอีกก่นันทำกับใครดีถ้ากลัวมาทำคนเดียวอย่าไปพูดส่วนกับใครเลยฮาหมุลิลลว ด, ด, ดกกีไม่ดีทะเลาะกันไปมองหน้ามองตาอีกนี่พุรอานสั่งนะว่าอินนะกะซิรามินนะคู่เหล่าก็ส่วนมากผู้ร่วมหุ้นส่วนเป็นยังไงครับลายาบอละเมิดบาดูฮุมาลาบาดิซึ่งกันและกันนี่เตือนเอาไว้เล่าให้นบีอุมัดฟังยุคของนบีเนี่เป็นยุคธุรกิจนะพอซอบ้านนบีทำทำธุรกิจหมดเลย การน บ, บีที่ผ่านๆมาเนี่ยเป็นนักธุรกิจทั้งหมดน่ะนักธุรกิจทั้งหมดเลยนบีนักค้านัขายใช่ไหมเอาสินค้าของนั้นคอดียาไปขายใช่ไหมธุรกิจยาดธุรกิจครับไซนาลีเ่ยเป็นธุรกิจข้าอูดดูอูดปัด๊บในรู้เลยเนี่ยราคาเท่าไหร่แต่ซื้อเน่ยมีกําไรเท่าไหร่มอ อ, อกรวมเลยอะ่ะท่านเก่งไหมเก่งครับ อดุมานเป็นอ้าเป็นนักธุรกิจที่รวยที่สุดในโลกวันนั้นนะ่ะวันตามีทรพัพย์สินประมาณแสนกว่าล้านเรามีแพระเนี่ยเป็นหมื่นหมื่นตัวมีอูดเป็นพันตัวมีที่ดินนับไม่ถ้วนมีบ้านเช่าเนี่เต็มไปหมดสยญ่ฟรีเอา้าขายมาลำบากอยู่ก็เลยฟรีฟรีฟรีฟรีฟ ร, ฟ ร, ฟ ร, ฟ ร, ฟรีวันยศัยนาคมมาเป็นกอลิฟ้าถูกแทงนี่นะท่านละมานอยู่ข้างหลังคนรวยขนา ด, น, ด น, น, นี้น่าจะนอนอยู่บ้านน่าจะทําเป็นแบบดีๆให้กับพวกเราว่า จะมีเงินก็ไหนๆต้องไปนะมาที่มัสยิดนอกจะโรคโควิดมากระวังตัวหน่อยอัลลอฮหอับาด น, นี้นะอัลลอฮฺเล่าให้ฟังนะคนส่วนใหญ่ถ้าทำธุรกากิจ ร, ร่วมกันแล้วนะส่วนใหญ่จะเป็นคนที่อะไรนะละเมิดโกงคนไม่โกงก็มีอิละลัลลัีนาอามานูยุ้น บรรดาผู้ที่ศรัทธาศรัทธาต้องกี่ข้อหกข้อข้อเดียวไม่ผ่านสองข้อไม่ผ่านต้องหกข้อนะความดีความชั่วมาจากอัลลอ์ทั้งหมดใครรวยใครจนมาจากอัลลอ์เห็นไหมยังมีอีกนะคนที่ทำดุราเกตแล้วไม่โกงกันมีอยู่กลุ่มเดียวอินลัดดีนอาหมนูวาอามิลุซอลิฮะและประกอบการดีทั้งหลาย กลุ่มนี้ไม่โกงเยอะแยา่า็ร้งว่าคนส่วนใหญ่ในโลกนี้ไว้ใจได้ไหมไม่ได้จะอาญานี่เลยนี่เป็นหลักฐานเลยไนงะว่าอินนากาซีมีกาคุณละตะลายะบรีบาดูฮุมอะญาบ้าดิคนส่วนใหญ่นี่ยธุรกิจร่วมกันเนี่เป็นไงโกงยกเว้นมียกกลุ่มเดียวอิลลาลาดีนาอามานู คนที่มีศรัทธามีอ ي มา ن ว่ามิลุโซลิฮาดแล้วก็ประกอบอามันตุซอแลาตจำไม่โกง ม, มีมากหรือมีน้อยเราอธิบายต่อว่ากอลิลุมมินฮุมและพวกสื่อสัตว์แบบนี้น่ะมีกอลิแปลว่าอะไรน้อยแห้ยยังหูตา ส, สว่างยังโอ้โหอาบารยังครับมีเรื่อง เล่าว่นี่ชายคนหนึ่งเนี่ยยกชายคนนี้มีคนเขายกรูสาวให้ยกรูสาวให้ชายคนหนึ่งให้แต่งงานจะเอามาถามครอบครัวเจ้าสาวว่าคณรู้ได้ยังไงว่าผู้ชายคนนี้่ะเป็นคนดีรู้ไดอยังไงยกรูสาวง่ายมากเลยนะเอาไปแล้วเอามริก้านิกาดิก้ า, ก า, ก า, กาไปเลย เขาบอกว่าฉันเห็นเขานามาเห็นเขานามาที่มัสยิดคุณถามมาว่าเห็นเขาก้มๆเงยๆใช่ไหานี่ภาษาพูดพูดเหมือนกันตะเมียอะนะเห็นเขาก้มๆเงยๆที่มัมงงนนมสยิดใช่ไหยบอกใช่แล้วยังไม่พอหรอกครับโอ้โห้พูดอย่างนี้คนต้องเลือกผูชาที่เขาเคยทําธุรกิจกับคุณมาก่อนหรือเปล่า พอที่หนึ่งเคยทําธุรกิจด้วยกันไหมสองเคยเดินทางร่วมด้วยกันไหมเดินทางยาวๆเน่ะหาวันสิบวันออกดาวานี่รู้สายเลยละ่ะใครขี่เหนียวใครใจดีใจบุญอรอออกดาวานี่รู้เลยคนที่ขี่เหนียวเน่ยแอบกินคนเดียวอ่ะกินข้างชั่วมาคนใจดีนี่ยใจมาๆมาๆม า, ม า, ม า, ม า, มากินมากินมากินฉันช่วยออกอย่างนี้เป็นตน ทานอาจารากว่าถ้ายังไม่ทำธุรกิจด้วยกันยังไม่เดินทางร่วมกันนานาสี่วันหาวันจะไม่รู้นิสัยเห็นนามาศอย่างเดียวประกันไม่ได้เพราะนามาดมีอยู่ห้าแบบนามาดมีอยู่ห้าแบบนะอิบนกอยิมอธิบายไปว่าหนึ่งแบบที่หนึ่งนามาดบ้างหยุดบ้างในรอเป็นชาวนารกทาไมต่อบ้าตัวต่อรนสองนามาดแล้วใจลอย นึกถึงแต่เรื่องฉันจะทำมาได้กาทุกข์ทำเงินโอ้เอารอวัฏวัดในใจไม่ได้โยงกับเอารอเลยทำมาไดาเนี่นมานหัวใจต้องโยงกับใครจึงก็เอารออย่างเดียวเลยนะแวกไม่ได้ด้วยนะแต่คนนี้พุทธคดีปับฉันมีแพอยู่ห้าสิบตัวทำไมจะเพิ่มเป็นหกสิบว่นมานไปเอาลอวัฏอัณณ์เอาเรื่องนี้ที่สองเลยนะอันนี้อาจจะละนัดนมานไปละนัดไปนามานไปละนัด ข, ข้อข้อที่สานะครับมาตักบิดปั๊เนี่ยใจโจอกับอัลลอ์แต่มีแวบบ้างเป็นบางครั้งบางคราวพวกเราเยอะอย่างนี้ใช่ไหมท่านเขียนไว้ว่าอัลลอ์ให้สามสิบห้าเบอร์เซนสาสิบห้าคะแนนอะิษฎสามสิบห้าเบอร์เซนาไปทำได้ผลละบุญนำมาที่7 7็ดเจดร้อยเจ็ดพันน่ใช่ไหมลนะ่ะอาไปแค่สามสามสิบห้ากลุ่มที่สี่นำมาแล้วว่าใจอยู่กับอัลล์ อย่างนี้อัลลอฮ์รอให้รางวัลอย่างเดียวกลุ่มที่ห้ากุรอาอายุนนามาแล้วเนี่ยใจสงบสบายแบบนบีแบบสิดดีกีนในสมัยท่านนบีแต่แล้วน้มานมีอยู่กี่แบบนะห้าแบบแบบที่หนึ่งนี่นมานบ้างหยุดบ้างอันนี้รอลองนะรกอย่างเดียวแบบแบบแบบที่สองน้มานแล้วใจลอยหมดเลยนะคิดแต่เรื่องตัวเองมันจะคิดถึงอะไรเลยอันนี้ละนะั กลุ่มกลุ่มกลุ่มที่สามเนี่ยให้ 35% ยเปอตโยงกับอลลอ์ด้วยแต่แว็บเว็บเก่งกลุ่มกลุ่มที่สจดจอกับกับอัลลอ์อัลลอ์มอบที่จะให้รางวักลุ่มที่ห้านี่น้ำแมาน้มัดมองท่านนบีเลยจะเรื่องนะน้มัดมีอยู่ห้ากลุ่มเราตะขอมาตลอให้เราเป็นน้ำมาดแบบกลุ่มกลุ่มกลุ่มที่สี่ยัดีนะแล้วเดกลุ่มที่5แบบสบายนบีแบบนบีเอาต่อมาครับ เรามาครับว่านนาดาวูดูนบีดาวูดเนี่ย น, น่าแปลว่าสงสัยหรือว่าตรหนักอันนามาฟตัตตนาหูว่าเราได้ทดสอบเขา วอนนาัดาวูดอนนาาันนาฟาตานาหูและเขาดาวูดได้สงสัยหรือระหนักว่าเราได้ทดสอบเขาทดสอบอย่างนี้แท่นนึกว่าชายสองคนที่ปีนเข้ามาในห้องของเขาเนี่ยว่าจะมาฆ่าเขาบางแรงงา น, นว่าไปตัดสินรอลมก่าพูดว่าอะไรนะ คุเนี่ยเขาเนี่ยได้ข่มเหงท่านนึกว่าชายจะมาฆ่ากับพูดว่าลอลรมากะเขาเนี่ยได้โกมท่านได้ข่มเหงท่าน น, า น, นึกกับพูดพอชากคนี้กลับออกลักกลับออกไปแล้วนี่นะนบีดาวุฒเสียใจนบีดาวุฒเสียใจนึกถึงคําพูดลออรมากะ เขาเนี่ยได้ข่มขูท่านเสียใจพูดทำไมแ ล, แล้วก็นึกอีกชายสองคนที่ปีนเข้ามาเนี่ยกลัวมันจะมาฆ่าฉันคิดทำไมทำไมไนมะ่คิดว่าอัลลอฮ์ทดสอบบ้างไม่ได้เลยพูดกับนึกสองอย่างนี้เสียใจนี่สอนนาบีานะอัลลอ์สอนนบีนะนึกอะไรผิดๆเป็นความผิดตัวเนะ แต่ว่าถ้ายังไม่พูดออกมาเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหานึกในใจแต่นาบีสุนดนาบีดาวูดเสียใจนะนึกว่าเขาจะเข้ามาฆ่าเสร็จแล้วเขามาเขามาคุยดียมาเสียใจแล้วไปพูดว่าเขาเนี่ยโกงยังไม่ได้ยังไม่ได้ซื้เลยนะพูดทำไมพูดผิดอย่างเดียวเสียใจเตือนพวกเราด้วย ดาสาภรรยาเนี่ยเคยเสียใจไหมละ่ะดาลูกเคยเสียใจไหมอ่ะแต่นี่นบีดาวูดทําเป็นตัวอย่างให้เห็นน่ะอลัลลอฮ์พอใจมากกันเล่าให้นบีมันกฟังดูดูดาวูดเนี่ยเขาพูดผิดคําเดียวอ่ะแล้วก็นึกผิดแล้วไม่ได้นึกอย่างที่ตั้งีคิดเอาไว้นะเสียใจอ่ะอ้าววลังจะทาไงดูต่อไป พระสตัฟารอบบาหูเขาดังนั้นเมื่อเขาทั้งสองออกไปแล้วเขาจึงได้ขออาภาัยโทษในความพลาดพลั้งของตนที่พูดผิดกับนึกผิดเตือนเราครับเตือนนบีฮหนนบีมาสอนว่านึกผิดกับทาผิด พูดผิดพูดเยอะทู้เพื่นนะต้องสำนึกตัวด้วยด่าคนเอาไว้มั น, นึกได้ด่าก็ทำไมไว้นเนี่ยที่บางคนยิ้มยิ้มแต่นนะโอ้กูด่า่าแล้วสะใจกูจังเลยบางทีเขาไมา่ได้เร็วอย่างที่เราคิดหรอกเชตเรเดินจะปิีบบีบแต่ใช่มหให้คนอะ่ะเดินข้ามถนนทำไมมันทำมันเดินชา้านะเขา มีขาเดียวมันก็ใส่ขาขาเทียมไปไว่ายไม่ได้นึกอนะ่ะผิดแต่ปึ้งปึ้งปึ้งกูงงงจะไปแล้วนี่นะทําผิดอย่างนี้เคยเสียใจไหมละ่ะนี่อัลลอฮฺสอนให้คิดนะอย่าอย่ามองอะไรตัวเองเด่นคนเดียวไม่ได้เขาเดินช้าเพราะก็มีขาเทียม <c oughs> <c oughs> นี่อ่นานคุณอานหัวตาสว่างไหมสว่างมาก เราไม่มีสิ่เจี๊ไปด่าใครเลยนะจะปีปีรดตึงแรงไล่เข า, าทนอาณาตุนน้ำสาดไม่ได้นะข่าวนาบีถูกขยะใสาศ่ศีรษะนาบีทำไง ย, ยิ้มแล้วเป็นไงผู้หญิงคนนี้รักอิสลามใช่ไหมยังยิ้เป็นต้แล้วก็ชาวตออเอฟที่เอาเหินคว่างนาบีที่ด่านาบีนี่ขนาดไหนไีนเลวไมแน่นอนที่สุดเลวแลวสวดแต่อัลลอ์ให้นบีขอมาอัลลอฮ์มาคุยละกุม Allahumma ล i r d l i k a umi fa'in nahu mlayaalamun Allah จะอะไรวะทุนที่บุคคลบุคไม่รู้เนี่ยจะไปเป็นอะไรก็ตามเรียนอักุรอานก่อนเรียนประวัติคานบดีดาวูดก่อนแล้วไปเป็นอะไรก็ได้จะเป็นผู้ไปพากษาแล้วก็เชิญจะถ้าไม่เรียนอัลกุรอานไปเองเจอนรกหมดพูดตรงๆอย่างนี้เลยนะเจออาดาบหมดอะไปรับเงินรับทองเข้ามาเนี่ยมาต่อมาครับ ฟาสตากรฟรอบบวูเขาได้กล่าวขออภัยโทษต่อเรายังไม่พออีกว่าครอรอเิอารอเิบะวาโคมแต่อุลมะทั้งหมดอธิบายว่าสุญูดเขาได้ก้มลงสุญูดสองเรื่องแล้วนะว่าอาณาแล้วก็หันกลับตัวตาบ้าตัวต่อลราทำพูดผิดกับคิดผิดประโยคเดียว ทำกี่เรื่องสามรายการหนึ่งขอไปจะโทษเบื้องวราจา่าสองสุูดสามสตาบ้ตาตัวอีกนอย่างนี่เป็นแบบอย่างคนดีในโลก ม, มีั้ยมีอรรถเล่าคือนบีดาวูดนำเอาเรื่องมาเล่าให้นบีขงมันฟังให้นบีมาสอนพวกเราวันนี้โอ้ดาคนไว้พูดอะไรผิดผิดไปนี่อย่าคิดว่าคูแน่ กูพูดแล้วมันแย่ไปเลยเองระวังปากเองด้วยาการเป็นนบีดุลาวุธใช่ไหมขนา ด, ดพูดผิดกะคิดผิดน่ะเขาจะมาฆ่าฉันเลยปล่าที่เขาไม่ได้ฆ่าแล้วคิดทําไมวะฆ่าเสียใจใช่ไหมแต่ทําไงอัสตาคูรุลลอแล้วก็สุญูแล้วก็ ต, บตอบาตวอิฟนี่เป็นความสะอาดกุนอานมาจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์ล่ามิสายคน ถ้าจะเปลี่ยนแปลงต้องเปลี่ยนแปลงตามนบีดาวิดนะครับอัลฮัมดุลิลละในอิบเนกซีดในอิบุนอรบ伯ในฮัดดินนะับในจอรสสไปหลายนะแต่ว่ารอเกี้ยมาถึงสุ j แต่คนอ่านพูดว่ารุควะแต่ตรงนี้แปลว่าสุ j อายะสุดท้ายครับฟาวฟาโรลนะฟาวฟารนาลาห ذلك وإن له عندنا لزلفا وحسن ما ب فوفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفا وحسن ما الله أكبر นบีดาวูดขอดอุทิอภัยโทษทำสามอย่างหนึ่งอัลลอฮสุยูดเลยแล้วก็ตะบาตัวต อ, อลัลลอฮเมื่อภาพนี้ออกมาเนี่ยอลัลลอเห็นอลัลลอฮกล่าววนะ่าไงนะฟาบาฟาละหูดังนั้นเราอลัลลอฮฺจึงได้อภัยเขาเห็นยังครับสบายใจไหมอภัยเลย ที่พูดผิดประโยคเดียวกับนึกผิดว่าเขาเขาเข า, เขาจะมาฆ่าเขาไม่ได้ฆ่ากขามาคำ เ, เขามาดีทั้งหากหล่ะใช่ไ้ยฟาฟ ร, ฟ ร, ฟรนาละหูเราดังนั้นเราอัลลอฮ์จึงได้อภัยเขาละหูลาลิกะในข้อ น, นั้นทำไมให้อภัยหนึ่งเก่าอิสติกวาสองสุญูดสามต่อบาตัว ว่าอินน่าลาหูแต่แท้จริงดาวูดนั้นอินดานาอยู่กับเราลาซุลฟาสนิทอยู่กับอัลลอฮแบบสนิดแบบสนิทเลยซุลฟาแบบสนิทมากเลยครับมีอะไรผิดนี้นึงอัลลอฮ์าจะเป็นขออภัยะโทษต่ อ, อัลลอฮอัลลอฮพี่น้องเห็นยังครับ คนที่ส hmm. นิทอยู hmm. la, na, mm ่ก hmm. ับอัลลอฮ์อยู่กับอัลลอฮ์อยู่กับอัลลอฮ์อยู่กับอัลลอฮ์ทำอะไรผิดขอตวต่ออัลล์อะไรจะโทษต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ยังชมนบีดาวูดว่อินละหูอินดานะลซุลฟาและแท้จริงนบีดาวูดนั้นเป็นคนที่สนิทกับเราวาฮุสนาและเป็นผู้ที่กลับตัวที่ดียิ่งทาอะไรผิดพูดผิดคาเดียว กลับตัวแล้วนี่แหละอัลลอฮ์พอใจตัวลงว่าอัลลอฮ์นี่พอใจคนที่นอบนอบ้อมและทอมตนกับอัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาท่านำมาท่าสุยูดเป็นท่าที่ดีที่สุดฉะนั้นหายใจอากาศของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้บ้านมาให้ภรรยามาให้ลูกมาให้รถขับเนี่ยขอบคุณอัลลอฮ์อย่างอัลลอฮ์จะถามในวันเกียร์มากครับ ยิงคนที่มีที่เนี่ยเป็นร้อยไร่ยี่สบไร่เนี่ยยังไม่ได้ขายเลยนะเงินหลายพันล้านนะขอบคุณอร่อยอยังไงถามหมดไม่ใช่ไม่ถามนะถามหมดแล้วแล้วก็คนที่เป็นอะไรน่รัฐบาลปกครองคนเนี่ยนะอรรถานในวันเกมิมาสองข้อทำไมไม่จัดนามาตย์ทำไมไม่จัดระบบสกาศ ตอบได้มครับอย่างนี้ครับถามสองข้อนะทําไมไม่จัดนามานในบ้านคุณในประเทศคุณในหมูม่บ้านคุณข้อที่สองระบบส ก, กาดทําไมไม่จัดอเพราะอัลลัฮฺกำหนดแล้ว 2. อเปอร์เซตต้องจัดส ก, กาดต้องดูแลคนยากคนจนแต่เป็นเป็นหัวหน้าคนทําไมอ่ะนี่ส ก, กาดฟืตรอดจะม า, มาใช่ไหมส ก, กาดฟืตรอดเนี่ยพวกเราทำทำไม่เคยถูกกัน เอสกาดพิทรอร์เอาไว้ที่มัสยิดลรขายพอขายแล้วก็เอาเป็นค่านา้ําค่าไฟเดี๋ยวนี้ไม่เคยมีแล้วเพราะเราก็แนะนากันนะสกาดพิทรอสกาดสําหรับต่ออามุนคนจนก็เพอเลยต้องดูแลคนไม่จำดูแนทาสีลสุราค่านา้ําค่าไฟสุราไม่ใช่ดูแลคนอย่างเดียวแบบนี้ฟิลิยาก็จะตามมาคนที่วบวชบวชไม่ไหวดูแลคนนะอย่างนี้เป็นต้น มักเวลัน سبحان ั้นอัลลอฮฺมะวะบิ ل ั إ ل ิกะอาสดุวาลลอฮ